อืมทั้งทำกันเนีถ้าเราเป็นหัวอกเดียวกันเป็นเพื่อนเกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกันถ้าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งนั้นการศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยไม่ใช่เพียงเท่านี้ยังมีมากกว่านี้ เป็นอาชีพของพวกเราทำวินัยนี้มันมีมักมีผลอาชีพชาวนาก็าต้องมีมักมีผลอาชีพพ่อค้าราชการถ้ามีมักมีผลของเขาพอปลูกข้าวก็ได้ข้าวพอปลูกมันเขาก็ได้มันแล้วเกล หาซื้อเฉีนค่ามาขายเขาก็ได้เงินได้กำไรถาจะการทำมานเจ้าที่ของรัฐก็ได้เงินค่าตอบแทนไม่ใช่ฟรีทำไม่ไหนของเรานี้ก็ไม่ฟรีทำคือธรรมชาติกฎของธรรมชาติ หน้าที่ของธรรมชาติคือทมวิไนคือวิวิเศษนยัยนำไปสู่ความวิเศษมันหลงวินันอยู่ในความหลงนำไปออกไปจากความหลงสู่ความไม่หลงวิเศษแล้วอันทุกวิมิตรใดมีทำวิไน นี่การกระทําเจ้หนาเขาก็จับจอบจับเสียมต่้า่าก็จับสินค้าอะไรการก็จับปากกาหวัวชิดปัญญาธรรมานทําการให้มันเ็จไปได้มันเป็นการบ้านทต่ไม่ไหนเราก็มันกันต้องมีการกระทํา ไม่ใช่มาอ้อนว อ, อนขอร้องอยากได้ดีไม่ทำดีมีอยู่มากที่จะอยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่าลีรอทีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยมีสติแล้วก็มีได้ เคยการมำลงไปถรามันหลงก็มีสติก็ทําได้ถ้หลงก็หมดไปอันทุกข์ก็มีสติอันทุกข์ก็หมดไปนี่เป็นมักเป็นผลอย่างนี้มักผลอย่างนี้มีมากเจ้าน้าจำนาได้ข้าวเอาข้าวไกินยังเกิดเจ็บเจ็บตาย ถ้าราชการทำงานได้เงินได้ทองเอาหามาปัจเจ sĩ มาอยู่มาจีนมาใช่ก็ยังเกิดเจ็บเจ็บตายแต่ว่าภพ ม, มจันย์ของเรานี้เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายเพราะอไรเพราะตัวรู้นำไปสู่ทางวิเศษสู่ความวิเศษสู่ความหลุดพ้นเป็นมรรคเป็นผล ผลสูงสุดคือเหนือการเกิดเจ็บตายเราจะมาทำเรื่องนี้กันจะเป็นพ่อค้าเจ้านาข้าราชการก็ตามต้องมาถึงจุดหมายอันนี้ไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อเจ็บตายไปไม่มีประโยชน์ไม่เสียไม่มันก็เสียชาติไปแล้ว จึงเรื่องนี้เป็นอริยทรัพย์ภายในของเราทรัพย์ภายนอกใช่ในโลกนี้ไม่กิรังยั่งยืนเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยในช่วงอายุหลงตาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะบ้านเรือนเราก็ทำเองที่ไรทีนาเราก็สอบเสาเองหลงตาก็เลย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 ให้มันสืบตระกูลไม่ไม่ไม่เป็นเช่นนั้นเป็นคนอื่นไปนี่ชอบสมบัติอบาปนอกมันมีได้อย่างนี้ไม่จริงแังยั่งยืนเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยจะไปบ้านก็ไม่ไม่กล้าไปเคยอยู่เพราะเป็นของคนอื่นไปเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ของเราแล้วใกลเข้ามา อะไรที่เป็นของกรรมที่ทำได้คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรเนี่ยคือกรรมาฐานที่เรามาทำอยู่เนี่ยมันเป็นปัจจิตังสันใจถ้ามีเดี๋ยวนี้อันเนี้ยอริยทรัพย์เนี่ยถ้ามีเดียเด๋ยวนี้มีสติเดี๋ยวนี้มันก็มีไปอีกในภพหน้าด้วย เพราะมันเป็นอาเรียสทรบมันติดแล้งไม่เสียท่วมไม่เสียแล้งไม่น้ำไม่เสียเพราะแล้งเพราะท่วมเพราะไฟเป็นทร์ของเราไปใช้ในการเกิดเจ็เจ็บตายได้ทุกอย่างเพราะความรู้สึกตัวทําไม่ไหนนี้นั่นเป็นอย่างนั้น ท่นเราจะไปล่าอาลังเลสงสัยอะไรของจริงล่ะที่เรามาทำอยู่เนี่ยกายก็มีอยู่จริงใจก็มีอยู่จริงวาจาก็มีอยู่จริงมันใช่สําเร็จประโยชน์ได้ถ้าทําดีก็สําเร็จในความดีถ้าทําชั่วก็สําสเร็จในความชั่วได้วย <c oughs> มันก็พร้อมแล้ว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 เป็นพ่กเป็นชาติอยู่ตรงนั้นนับไม่ถ้วนเวียนว่าใจเกิดเกิดดับเกิดดับกับกองขันท่าพระพุเจ้าทรง ส, งสอนพวกเราขันทา่าเป็นของหนักเด้อบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักมาไป พระเจ้าสลัดทิ้งของดักลงเสียแล้วถ้าไม่หยิบเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีกมันก็ได้นิ้พผ่าน่ตรงนี้ได้นิ้พ่านคือไม่ไม่มีขันห้าเข้าสู่ธรรมชาติไม่มีอุปทานในการว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นทุกความตับทกุก็คือไม่มีขันห้า ให้เข้าสู่ธรรมชาติเป็นรูปรวนรุนเป็นเวทนารุวนร่วนเป็นสัญญาสังขารวิญญาณตามธรรมชาติสู่ธรรมชาติไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เรามีตัวเป็นตนวันหนึ่งเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับเวทนาเกี่ยวกับสัญญาสังขารวิญญาณหลายวพหลายชาติเหลือเกินทางท่านนี้มันไม่มีตัวไม่ตนแล้วก็ สวยวิบากกรรมไปกับผันห้าไม่ใช่น้อยมันไม่มีเราจะมาเห็นมีสติเห็นกายเฉลยไปได้เลยกายสภาวากายไม่ใช่จัตุคลณตัวตนเราเขาเฉลยไปแล้วลบๆได้น้อยแล้วเหมือนเราเขียนผิดเอายางไปลบน้อย ลบไปลบมาก็เหมือนลองตาเขียนบอร์ดเอาสีน้ำมันเคมีไปเขียนลืมไปมันลบไม่ได้รบข้างที่หนึ่งก็ไม่ออก2อครัง 3, ้งสามครั้งไม่ออกร้อยครั้งพันครั้งออกเลยทีเดียวเพียนลบอยู่เพราะว่ามีน้ำมันกินเนอร์อะไรมาแล้วไม่มีน้ำมันเินเนอร์ มันไม่ทันใจเอา้าเราจะต้องทำใจไม่ให้มันทันใจเราจะมีการกระทำมันจะลบได้ไหมไม่ต้องมีทินเนอรออะไรเเพียงแต่เอากระดาษคิดสู้ไปซื่อไปถูยืนเป็นชั่วโมงลองดูซิมีสติได้ไหมมีได้ลบปวดเพียงแต่ว่าวันที่16ห มิจนาห้าหนึ่งไปลืมเอ๊ประกาศนี่มประกาอะไรเลยโอ้ยผิดแล้วเพียงเท่านี้สองสามตัวเท่านี้เอามาสักชั่วโมงเราดูสิมันจะทําได้ไหมยืนเปิดขายืนขาเดียวยืนสองขาเปลี่ยนแขนซ้ายเปลี่ยนแขนขวาลบปรบมาลบเอาอ ว่าลบไปได้เอาไปมามันได้ไนหะอันลบที่มันเป็นทุกข์ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณมันไม่ยากขนาดเอาเคล็ดสู้ไปลบสีเคมีสีน้มันมันลบได้แล้วมันมีจริงไหมอันเวทนา <c oughs> เป็นทุกข์เพราะเวทนา ดูดีๆมันไม่เหมือนเราตัวหนังสือที่เขียนผิดเปียงแต่เรามีสต so okay. pues ิร <T at> ู้สึกตัวลองดูถึงมันจะเป็นยังไงเวทนาเป็นทุกข์จริงหรือเวทนาเวทนาเป็นสุขจริงหรือมีสติลองดูหัวเลาะเลลองดูมันก็มีมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ท้าทายเลย แต่เราไม่ค่อยทำตรงนี้เอาเวทนาไปเป็นสุข เ, เวทนาไปเป็นทุกข์เอาจิตมาเป็นสุขเอาจิตมาเป็นทุกข์ไปจ้งลืมตรงนี้ไปลืมสติลืมการกระทำตรงนี้ไม่ทำตรงนี้สักทีไปงมไปรูปไปคำกันจบไม่มีการกระทำว่ามันทำไม่ได้ด้วยซ้าไปไม่ได้ไม่ทุกข์ก็ไม่ได้ ไม่โกรธก็ไม่ได้ไม่หลงก็ไม่ได้พวกผมเป็นใครว่าญาติยมต้องหลงไปตามลาหูหรูปลถจินเสียงก็เวียนว่าตาเกิดอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่เหมือนพระพุทธเจ้าเรียกมามาทางนี้มาทางนี้พระพุทธเจ้าเย็นบนฝั่งเราอยู่ในพวองน้ํามุดอยู่ดำอยู่ ช่าปากควา่วงคอว่าละร้องให้ร้ <c oughs> องไปสัหน่อยเอยมันมีจริงหรือฝังมนุษย์ส่วนมากย่อมเบ่งเลาะอยู่ตามฝังในีเองโร้เจ้าจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำไม่ค่อยได้ยินเวลามันหลงเสียงามไม่หลงดังมาก แต่เราได้ยินแต่ความหลงต้องย่อมคิดเรื่องนั้นย่มอมลำดับลำนำความโกรธก็ามาคิดเอามาลำดับลำนำมาเลดดังมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเสียงสงบมันดังอาจารย์พุทธทาสว่าตบปือข้างเดียวเสียงดังก้องเมื่อท่านตบสงข้างจึงดังได้ เมื่อฉันดังเมื่อฉันข้างเดียวเสียงก้องทั่วโลกกเมื่อท่านดังไกลไม่กี่ว่าหมายถึงความสงบความสงบมันดังถึงพม่าโลกถึงมรรคผลใ้ผานนดความสงบสมัยที่พระ อ, องค์มามเพนอพุทธกิจอยู่ที่ต้นโพลมีตัะหาราคะ มาเฉียบแทงก็เพราะเขาเคยบริโภคจากนั้นมาพีเจ้าก็สงบนี่ไม่หวันไหวหไม่ให้แนวร่วมกับมัน <c oughs> <c oughs> เลยอุทานเอามาว่าอัติสันติบลังสุขขงังสุขอื่นยิ่กลัวความสงบไปเปตัดไปเลยเนี่ยความสงบมันเปรียบเทียบกับปรอจุอันเดนไปได้เลย ถ้าจึงมีอาชีพเรื่องนี้กันไม่ฟรีไม่เสี่ยงลูกเดี๋ยวนี้คนผูกนี้อาจจะลูกอีกได้ไม่หมดแต่ควงน้องอาจจะหมดไปถ้ามีความรู้ความทุกข์อาจจะหมดไปถ้ามีความรู้ความโกรธอาจจะหมดไปเพราะมีความรู้ก็เจริญตายจะหมดไป ถ้ามีความรู้นะใช่ลองดูสิมันจะเป็นยังไงเสนอให้ใช่เหมือนคนไทยเราไปเสนอชินค้าที่นิวยอร์กน้องตาไปดูมีเขาไปเสนอชินค่าเสนอให้คน อ, อเมริกันใช่ลองดูมีท่อพี ว, G, วีมีก้อกน้ำมีโถมีโถห้องน้ำสระรูปพันในห้องน้ำสาธิต ไปสาธิตทั่วโลกอยู่ช่นั้นนะแล้ในที่ต <c oughs> ึกเซ็นเตอร์ไฮเวทที่เขาขับเครื่องเมลไปชนนะร้อนใหญ่โตมากใหญ่กว่าวัดป่าสุโกโตเลยเขาไปเ ส, สนอชินค่าทั่วโลกคนไทยเราก็ไปได้เต้นไปเสนอไปชมเขา ไปเห็นคนไทยเขาก็หัวเราะโอ้ไปดูเสินค้าคนไทยทเขาเสนอก็มีความสนใจของคนนานาชาติมากมายเพราะอะไรเพราะมันดีคุณภาพลักษณะท่าทางไม่ยอดเหมือนกันคนไทยเลเปากระเป๋ า, <c oughs> ปาหนังคนไทยเย็บ แต่ไปขึ้นยีห้อต่างชาติแต่ว่าจริงๆเป็นของคนไทยนี่พระเจ้าเสนอมักเสนอผลให้มนุษย์ดูสวา้าโทภควตาตัมโพระธรรมรตัดไปดีแล้วท่าไทายสัทธิจิโกอันผู้ศึกษาเึิ่ไปบัตรด้วยตนเองอากาลิโก ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอ้ิปัจจิกโกควร น, น้อมมาใส่เราดูดูโอปนเยโกเอ้ิปัิกโกเรียกมาดูโอปนเยโกน้อมมาใส่เราลองดูสิจะเป็นยังไงปัจจัตังเวจะรู้เองเห็นเองถ้าไทายเรียกว่าเสนอเสนอมักผลให้มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยดูสิ มันจะเป็นยังไงที่นี่ก็ขอเสนอเรื่องนี้มาขออยู่ที่นี่เสนอเรื่อง น, นี้แม่โลกจะเป็นยังไงเราก็เสนอเรื่อง น, นี้เข้าไปยิ่งถึงวันนี้น่ำมันแพงอะไรมันก็แพงมันสามารถเปลี่ยนแปลงความยากข่มจนของคนได้พวกเรามนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายอาศัยปัจจัยภายนอกมากเกินไป ถ้าน้ำมันแพงก็ก็ทุกอะไรก็ตามให้องนเดือนมาเป็นสายบางเหียนบังคับชีวิตของเราให้ยากให้จนให้ลําให้รวยคนไม่เจี่คนทําให้น้ํามันแพงเรามีผลประโยชน์คนเด็กมากเท่าไหร่ได้รับความร้อนมันเป็นอย่างนั้นได้หรือมันไม่น่าจะได้เราก็กอยู่ของเราเองก็ต้องไม่หลงที่ไม่ต้องพุ่มรวย จะสู้รูยสูร่ายเกินไปก็ยิ่งดีจะได้ระมัดระวังจะเงียมเกียมตัวเอาไว้อย่าดิ้ น, นรนเลยมากมายเนี่ยมันทันสมัยจริงๆสติสมัมปชัญญะนธรรมะเนี่ยโลกจะเป็นอะไรก็ตามเราจะอยู่ตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้กัน เราทําให้เราจนเพราะอะไรเป็นปัจจัยภายนอกเราจะทําให้เรารวยเป็นปัจจัยภายนอกเอาภายนอกมาเป็นความจนเอาภายในมาเป็นความจนเราก็มอบวคิดไว้ตรงนั้นเอาไปห้อยไปเขียนไว้ตรงนั้นชีวิตเราไม่ควรห้อนเขียนไว้กับปัจจัยภายนอกมากเกินไปให้มัอยู่กับตัวเราเนี่ยนี่กลายมีใจเนี่ยมีสติมีจัญญะเนี่ย อันภายนอกก็ค่อยดีไปถ้าเรามีหลักตรงนี้แล้วถ้าไม่มีหลักตรงนี้มันก็ไม่กีรังยั่งเงยนืนถ้าเกิดแผ่นเนนไหวเมืองประเทศจีนนทาําไงถ้าเกิดพายุสี่โนเหมือนพมา่ทาทําำไงถ้าเจ็บจะทาําไงถ้าเจอทาําไงาถ้าตายทำไงจำเป็นไหม รู้อะไรมากอะไรทางไปทางไหนกันนั้นนิทานโลกคนตอนตาเคยมีเสียเลยน ะ, ละเลิกเรียนนอกจบมาจากนก อ, อกอดอดมาเดินข้ามเรือมีคนเจ้าเรือรับจ้างลเลิกเรียนนอกก็มา นั่งเรือันจเจรเรก็พาไปพอไปถึงกลางน้ำพาออยุพัลมแรงคลื่นยักษ์มานักเรียนนอกก็มึงมาจะคุยว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยคณะฝ่ายข้านคือใครคณะฝ่ายรัฐบาลคือใครใครเป็นแชมกีฬาโลก ไปเป็นพระเอกหนังเรื่องนั้นผมไม่รู้คนเจวเรือบอกว่าผมไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้หรงงูไปนั่นเลยผมไม่รู้ครับอะไรก็ตอบไม่ได้เลยนักเดือนนอกก็ดูถูกคนเจวเรือหาว่าไม่รู้รอะไรเวลาขึ้นมาแรงๆนายนายถ้าเรือล่มมันทำไงว่าน่านเป็นไหมไม่เป็นเลย <laughs> ใช้น่าไม่เป็นเลยเอ่ะมมนจะรอดเลยหมายถึงความเกลยความเจ็บความตายมันรอดได้ไหมอันนี้คืออริยทรัพย์ภายในบรรลดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มีความรู้อ่านความรู้เรื่องงั้นไปเรียนมาจำเอามาแต่ความรู้เรื่องนี้ต้องมีการกระทำนะมันหลงรู้นะมันทุกข์ก็รู้มันโกรธก็รู้เนี่ย นี่เป็นของเราแท้ๆลูไน้อยเท่านี้ต่อไปมันก็จะมากมันจะมีอำนาจมันจะใหญ่มันจะทองเป็นใหญ่ในชีวิตเราไปเลยเป็นเจ้าของชีวิตไปเลยเจ้าของชีวิตอันนี้ไม่มีเกิดไม่แจ่ไม่เจ็บไ ม, ม่ตายนี่คือมรรคผลของทร้รวิไยเราทำรรวิไยเป็นอย่างนี้วิใยเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ แต่ก่อนเจ้าพ่อชายเชิดทะก็ลู้สิบแปดศาสตร์มาเหมือนกันแต่ศาสตร์เรื่องเกิดเจริตายไม่รู้อะไรเล ย, เลยไม่มีใครสอนพระเจ้าปู้พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้าใหญ่ในสถาบันที่เรียนมาครูทั้งหกขี่มายิงธนูบันดาเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรต้น เรียนมาจบไม่มีใครสอนเรานี้เลยจึง ต, ต้องศึกษาด้วยตนเองเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาเอาสติเป็นนักศึกษาให้เห็นอะไรมันมีอยู่ในกายอะไรมันมีอยู่ในใจิตใจให้เห็นกับหูกับตาตาเนื้อของเราตาในของเรื่อเรายกมือเคลื่อนไหว ถ้าจะเอาตาเนาดูก็เห็นถ้าจเอาตาในดูก็เห็นหลับตาดูก็เห็นนี่เป็นของจริงมันรู้อะไรที่มันมีอยู่ในกายนี้ที่มันจะแรงมาทางใดมันเป็นชื่อเป็นชื่อภาษาภาษาบาลีก็ว่ารูปหรือว่ากายว่าสติภาษาบาลีภาษา ไทยก็ว่าความรู้สึกตัวภาษาพลังก็เอาไปความรู้สึกตัวเหมือนกันคือความรู้สึกตัวก็มีทุกคนทุกชีวิตมันมีภาษาเวทนาคือสุขทุกข์สุขทุกข์อะชื่อว่าเวทนา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 ตามภาษาของมัญญัตเขียนเป็นภาษาแล้วก็ท่องได้สติความเลิอกอนได้ชปวิจ ญ, ญาความู้ตัวภาษาคนภาษาธรรมมายกมือเคลื่อนไหวรู้ก่อนพูดก่อนคิดก่อนทำรู้ขณะที่พูดขณะที่ชาที่คิดรู้อันนี้ภาษาคนภาษาคนอย่างนี้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 อยู่ด้วยกันเวลามันหลงคิดไปรู้เวลามันสุขรู้เวลามันทุกข์รู้ศอนลองดูสิมันจะสอนได้ไหมเราเนี่ยหรือว่ามนุษย์ประเสริฐมันสอนได้ไหมมันประเสริฐตรงไหนก็ตรงนี้เราจะมาสอนเราให้มันรู้เข้าไปให้มันเป็นทีแรกก็สอนต่อไปต่อไปไม่ต้องสอนถ้ามันเป็นแล้วไม่ต้องสอน มันเป็นแล้วไม่หลงมันเห็นอะไรไม่เห็นรูปเห็นเวทนาไม่หลงเลยเห็นรูปเห็นธรรมเห็นรูปเห็นน้าไม่หลงเลยภาษาคนนั่นหลงภาษาธรรมไม่ไม่หลงเพราะมันสัมผัสได้สัมผัสความทุกข์ไม่ทุกข์แงมันไม่หลงเลยมีสติสัมผัสกับความเจ็บเห็นว่าเจ็บไม่เห็นผู้เจ็บทาเป็นแล้ว ทำเป็นไม่ใช่รู้มันทุกอูก้ไม่ใช่ตัวแต่มันทุกคิปจ้อยถ้าเห็นนะถ้าเป็นเราใหญ่โตก็มันเป็นผู้ทุกข์ก็ใหญ่โตเป็นผู้กงก็ใหญ่โตเป็นผู้รอดผู้หนอเป็นผู้หิวก็ใหญ่โตถ้าเห็นแล้วไม่ใหญ่โตก็คิบจ้อยนิดเดียวนิดเดียวเลยก็เห็นแหะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเข้าไป มันก็ไม่มีไม่มีตัวไม่ตัวใหญ่ความทุกข์หายหมดเลยหายตัวหายตัวตนไปเลือ น, น้อยๆเพื่อใช้ต้นเลงอย่าใ ห, ให้ใหญ่เถอะพวกเราอยู่นี่อย่าให้เป็นใหญ่ให้หลวงตาเนี่ยก็อยากเป็นผู้น้อยๆไม่อยากเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากนั่งให้ใครกราบไหว้ความเป็นเจียงนะที่กติก็ไม่มีหน้าของไม่มีอะไรนั่งมีพระพุทธรูปมี ปูเสือปูพมปูสนะพระฤิษีธนะสามชั้นสี่ชั้นมีหมอนหน้ามาหน้าหมาว่าอยากไปเสื้ภผ้าแบบนันนะอยากนั่งอยู่อย่างนี้กับเพื่อนอยู่เนี่ยนั่งกินข้าวเดียกันไปไหนมาไหนไม่ต้องมารับใช้เราไม่ต้องอุปถักตเราเลยแต่มีผู้ดูแลเวลาเจ็บไข้หรือ่วยอันนี้ เป็นธรรมดาจะดูก็ได้จะไม่ดูก็ได้แต่นี่เรามีคนดูแลก็รอดมาได้มีหมอบ้างมีเพื่อนบ้างจะจะอุปถักต์กันยังเก่งอาบหน้าไม่ไม่เอาล่างท่าไหร่ก็ไม่เอาไม่นจะชักท้ายก็ไม่ อ, ไมยไมอยากแต่ให้คนอื่นทาเองนั่นพอใจอ่ะไม่ต้องอุปถัมปัถากมากมายไม่ต้องถวายของมากมายเกินไปอ่า เ่อวานเนี่ยตอนเชิญเนี่ยมีคนถวายของโอ้ยกลัวถอยออกให้จย์ปัญญาไอ้เรืรับของจันปัญญารับของอะไรกัน อ, ก <laughs> อ่าเรื่องอนนะอยากน้อยน้อเป็นพวกน้อยน้อยอะมันน้อยจริงๆนะมันไม่ใหญ่ลอ่ะไม่ใหญ่เลยนะมันเหลือแต่ธรรมชาตินะ ก็เลยสะดวกสุดยอดเลยคนที่สุดไม่มีไม่เป็นอะไรแล้วตายืนอยูน่นะันะ่นเพื่อนที่น้อยถ่ายมาจากเพคเม้นใช่ไหมไอถ่ายมาจากเม้นกนะ็เลยเออมันคือโกูดีแท้่าเย้ยเย้ยคนไม่มีไม่เป็นอะไรเลยท่าทางเนาะใช้ได้ไหมไม่มีไม่เป็นเลยเหมืนก็บหัเลาะเลยทีเดียวมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่ตนผู้ทุกข์ มันยิ่งใหญ่นะมันสกางาม น, นะมันโกรธเห็นมันโกรธโอ้ยไม่ดีไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยหายตัวเลยสุญญตาสุญญตาวิหารเป็นที่อยู่สุดท้ายของพวกเรานะเพราะนีน่ปฏิบัติธรรมน่แหละเป็นอาชีพของเราที่ค้าได้ทำในคเครื่องเลี้ยงชีวิตอันนี้ก็สมควรเจเวลากับพวกแบบ